แต่วันนี้เอาคนที่ยังไม่ไม่ได้พูดบ้างให้พูดนะคนที่เคยถามแล้วเคยพูดแล้วล้วรอไปก่อนออพิสเนียบ้างพิสเนียยังไง เป็นไงบ้างพิชม okay? like ีดังๆก็ได้พูดดังๆ ทำแล้วเป็นยังไงบ้างทำแล้วเป็นยังไงบ้างมีอะไรเกิด ข, ขึ้นบ้างวันนี้รู้สึกเบื่ออยากกลับบ้าน 今天我<嗯>天天都想。哈<嗯>哈哈哈哈！哈哈。说下去，我累不累了？是不都玩了？嗯。是不是要先去？如果就是用不上功，是不是要先去放下、放鬆一下、玩一下，然後再回功？對的，我就这么认为的。<音乐>对。 ามัใช่เา่เขาไม่เไม่ช่เขาไม่ใชา่ใ่าไม่ไม่ใชเาไม่ามเา่เา่าไม่ไม่่เ่ใช่เขาไมก่าไมเม่นช่าม่เไม่ไม่ไม่ใชไใ่าไใเ่เขาใช่เขกไม่มใาไมเไม่ใช่เข่เไามัใช่เขใเขาไใช่่เขาไ่มา่ไม่เมใช่ไมมมเเเ พอเบื่อพอนั่นแล้วก็จะไปมันก็จะไปแบบนี้เลยคอที problem, problem, problem, problem, ่จริงถ้าเราปฏิบัติต่อคือมันถ้าจังหวะดีๆเราก็จะเห็นที่จริงอย่างความเบื่อมันก็อาจจะเป็นช่วงหนึ่งนะมันก็หายได้เหมือนกันนะ ถ้าถาอีกหน่只是留一一一消แต่ถ้าเราเบื่อล้วก็ไปไปเล่นไปอะไรก่อนก่อนเราก็จะคิดว่าโอ้ถ้าเบื่อเราก็ต้องไปเล่นมัถจะหายเบื่อจิตมัก็จะโปรแกรมแบบนี้เจิตก็จะอะไรนะคะโปรแกรมว่าเออออ ร้กแล้วก็就想ออแล้วก็็แต่心里它就好像透消าคแต่แต่ก็คือว่าไปทำอะไรที่มันผ่อนคลายได้นะถึเองว่าอย่างเราเดินเดินสั้นๆแล้วมัน ง่วงแล้วก็เดินย า, ยาวๆให้มันผ่อนคลายขึ้นอนะไรแบบนั้นมันจะได้เห็นว่าที่จริงไม่แต่ความง่วงนะเว่าถ้าง่วงทุกครั้งที่เราง่วงเราต้องไป กินกาแฟเราต้องไปเอากินชาเยอะๆมาถึงจะหายง่งวงเราก็คิดแต่ว่าเื้ความถ้า ง, ง่งวงเราก็ต้องหาอะไรกินมาถึงจะหาย <c oughs> มั น, มนเราจะได้เห็นว่าที่จริงสภาวะธรรมต่างๆเองมันเกิดขึ้นมามันก็ดับได้ของมันเองนะเพราะไม่งั้นถ้าในช่วงจังหวะที่เราไม่สามารถที่จะไปทําอย่างอื่นได้เช่นเราป่วยอยู่โรงพยาบาลอยู่บนเตียงนะมันถ้าเบื่อทําไงเราจะหนีออกจากโรงพยาบาลหรือไง 如果我们在一个情况我们没办法逃避，比如说我生病，你无聊了，那怎么办呢？怎么逃避？那那 <c oughs> ，它就看它只是短暂的，有的时候它它才兴起的，它不是永永恒，不是永远在。 อนะีอะไรไหมพิซี่เนียยังไม่พื่เลย